ตรถามว่าดาอย่างไรกราบทูนว่าดาว่าพรามเป็นวันนะประเสริฐเป็นวันนะขาวบริสุทธิ์วันนะอื่นเลวเป็นวันนะดำไม่บริสุทธิ์พรามเป็นบุตรของพรมเกิดจากปากพรมเป็นพรมาทายาทพวกท่านละวันนะอันประเสริฐไปเข้าสู่วันนะเลวคือพวกสมณะศีษะโล้นซึ่งเป็นพวกไร่พวกดำ